ปีพุทธศักราช2496ถึง2498พัรษาที่9ถึง11ท่านได้จำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามปากุงเก่าบ้านศรีสมเด็จตำบลโพทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติย่อวัดประชาคมวนารามได้บันทึกไว้ว่าต้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2496หลวงปู่ศรีมหาวีโร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 นครพนมเพื่อกราบคาระวะพระธาตพนมอีกครั้งหนึ่งในเวลาตะวันบ่ายคล้อยวันหนึ่งท่านเดินผ่านมาทางบ้านหนองแดงอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดจึงเข้าพักในบริเวณป่ามีครูคนหนึ่งชื่อว่าคุณครูใครมองไปเห็นว่าเป็นพระกรรมฐานจึงกราบนิมนต์ท่านให้เข้าไปฉันน้ำป่าเนะที่บ้านของตนเมื่อสนทนากันจึงทราบว่า เป็นหลวงปูศ่ศีอดีตครูสีที่สละโลจีออกบวชเมื่อชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทราบข่าวดังนั้นก็พากันมากราบคารวะจนกระทั่งเมื่ค่าตัวแทนชาวบ้านประกอบด้วยพ่อใหญ่ขุนจงบ้านหัวหนองน้อยพ่อใหญ่จูมพ่อใหญ่ใบบ้านหน้องแดงพ่อใหญ่คํำบุบ้านบากเรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์จะไปที่ไหนอาตมาจะไปข้างหน้าหลวงปูศ่ศีท่านตอบสั้นๆ ถ้าอย่างนั้นนี่มนท่านอาจารย์และคณะพักทีวัดป่ากรุงร้างอันเป็นวัดเก่าแก่นี้เสียก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นที่สงบสงัดไม่มีใครกล้าเข้าไปจะมีก็แต่พวกโจรผู้ร้ายมนีวิชาอาคมแก่กล้าเมื่อพวกเขาไปขโมยวัวควายได้มาแล้วก็จะนำมาซุกซ่อนที่นี่แม้เป็นเวลากลางวันแตกแ ก, ก็ยังไม่มีใครกล้าเดินผ่านมาทางนี้เลยครับ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 เขาบอกว่านานมาแล้วยังไม่เคยเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและแสดงธรรมเข้าถึงใจอย่างนี้เมื่อชาวบ้านรบเร้าขัดขวางบางคนมีน้ำตานองหน้าแสดงอาการอาลัยอาวรณ์อยู่อย่างเห็นได้ชัดท่านจึงสงสารและพิจารณาว่าป่านี้เป็นสถานที่วิเวกสัปพายะญาติโยมก็มีศรัทธาพร้อมครั่งควรที่เราจะสงเคราะห์เขาเพื่อมัก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 ฉันข้าวไม่ได้มีแต่ถ่ายท้องอย่างเดียวหลวงปู่ีท่านสอนว่ายิ่งกินมันก็ยิ่งขี้นะฉะ น, นั้นอย่า ก, กินมากจากนั้นพระจันทร์ทองใบไม่ลงฉันข้าวถึงเจ็ดวันโรคนั้นได้หายเป็นปลิดทิ้งนี่ก็เป็นผลแห่งธรรมโอสถอย่างหนึ่งนอกจากท่านจะสั่งสอนพระเนรประชาชนญาติโยมแล้วยังมีพวกกายทิพย์พูดผีปีศาจที่ท่านเมตตาโปรดอีกมากมายท่านเล่าให้ฟังว่า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 เมื่อฉันเสร็จแล้วทําข้อวัดของตนและช่วยทําความสะอาดสารล้างให้สะอาดเจ็บเครื่องบริขารขึ้นกูดีต่อจากนั้นก็ลงสู่ทางจงกรมเดินจงกรมไปจนถึงห้าโมงเช้าพอได้ยินเสียงะระฆังก็หยุดทําข้อวัดสําหรับตนไปจนถึงบ่ายสาโมงเมื่อได้ยินเสียงะระฆังต่างองค์ก็เริ่มลงกวาดลานวัดทําความสะอาดบริเวณวัดและจัดหาน้ําใช้น้ําฉันตลอดจนน้ำสงเรียบร้อย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 หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วก็พักพอถึงตีสามได้ยินเสียงระฆังเตรียมลงทาวัดที่ศาลาโรงธรรมพอทำวัดเสร็จเดินจงกรมไปจนสว่างเป็นวันใหม่